45ปีแห่งโศกนาฏกรรมโชเฟอร์รถสองแถวกับแม่พิมพ์ของชาติแตกต่างเพียงแค่ฐานะเราจึงรักกันไม่ได้นี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูกเก็ต โศกขนาตรรมของหนุ่มสาวสองคนที่ตัดสินปัญหาด้วยการใช้ผ้าเข่าม้าผูกต่อกันแล้วก็มัดกับตัวเองกระโดดลงจากกลางสะพานสู่แม่น้ำในวันที่22กุมภาพันธ์2516เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มหญิงสาวที่แตกต่างกันด้วยชาติตระกูลและฐานะทางสังคมจุดเริ่มต้นของความรักระหว่างชายหนุ่มขับรถโพท้อง นามว่าโกดำแท้ตันและหญิงสาวชื่อกิว๋วการจนาแท้งหงอชาวตำบลท่าฉัดชยัยจังหวัดภูเก็ตก็คงไม่ผิดแพกจากความรักธรรมดาทั่วไปความสเสน่หาเริ่มผีบานในสองหัวใจอันบริสุทธิ์ของเขาทั้งสองคนหลงรักซึ่งกันและกันแต่อุปสรรคที่สังคมในขณะนั้นยัดเยียดให้กับพวกเขาก็คือความแตกต่างโกดาเป็นเพียงแค่คนหาเช้ากินค่า ส่วนกิว๋วคือนักศึกษาวิทยาลัยครูผู้พรั่งพร้อมไปด้วยชาติตระกูลและฐานะทางสังคมภาพความสดใสของความรักที่มนุษย์คู่หนึ่งพึงมีสิทธิจึงกลายเป็นภาพความมืดมนสิ้นหวังในสายตาของคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัวของกิว๋วเมื่อผู้เป็นพ่อได้พิพากษาวความรักของลูกสาวกับโกดำผู้ด้อยค่าในทันทีที่ทราบเรื่องพ่อเลี้ยงกิ๋วแบบผดเด็จการ แม่ให้อิสระทางความคิดและมุ่งหวังให้ลูกสาวตนได้แต่งงานกับคนที่มีฐานะดีมีชาติตระกูลถึงแม้ว่ากิ๋วจะโตจนมีอาชีพเป็นครูแล้วก็ตามพ่อก็ยังกีดขวางหนทางเพื่อให้ความรักต้องห้ามในสายตาของเขาสิ้นสุดลงให้ได้โกดำเป็นของแสลงในจิตใจของพ่อกิว๋วอย่างไร้เหตุผลที่จะผ่อนปรนได้ ทั้งกิวและโกดำย่อมรู้ดีถึงอุปสรรคที่ตนจะต้องพบพานหากริเริ่มครองรักด้วยกันสภาพสังคมในขณะนั้นพวกเขาจึงต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อเป็นบทพิสูจน์ให้ผู้เป็นพ่อได้เห็นถึงความรักที่มีให้กันแต่ไม่ว่าจะทำเช่นไรก็ไร้ผลเมื่อผู้เป็นพ่อของฝ่ายหญิงไม่ยอมเปิดใจหลายครั้งที่กิวถูกบิดากักขังและทุบตีเยี่ยงทาต เพราะแอบลักลอบพบกับโกดำอีกทั้งพ่อยังไม่ละความพยายามในการยัดเยียดลูกสาวให้กับเศรษฐีผู้มีเงินถึงผู้เป็นพ่อจะแข็งก้าวต่อหัวใจของลูกสาวแต่ความรัก และการพยายามฝ่าฟันอุปสรรคของโกดำและกิว๋วสามารถชนะใจชาวบ้านท่าชัดชัยได้จากการเป็นที่ไม่ยอมรับในตอนแรกชาวบ้านทุกคนทราบดีถึงความรักที่มีอุปสรรครั้งนี้หลายคนพยายามเกลี้ยกล่อมพ่อของกิว๋วให้ยอมรับโกดำเป็นลูกเขยแต่ก็ไม่ได้รับการยินยอมไม่ว่าจะด้วยวิธีทางใดก็ตามหากมองลึกลงไปถึงความรักของคนทั้งคู่ที่ก่อเกิด ตั้งแต่กิ๋วยังเป็นนักศึกษาจนกระทั่งกลายมาเป็นครูก็นับระยะเวลาไม่น้อยหากไม่ใช่เพราะครอบครัวโดยเฉพาะผู้เป็นบิดาที่ไม่เห็นด้วยอย่างหนักแล้วเรื่องราวของพวกเขาทั้งสองก็คงกลายเป็นความรักที่ธรรมดาสามัญไม่มีความสำคัญต้องให้จดจำหากแต่โชคหรือสวรรค์กันแน่ไม่รู้ที่เข้าข้างเมื่อบิดาของฝ่ายหญิงนั้นเลี้ยงลูกสาวแบบไม่ให้อิสระ และต้องการให้กิ๋วแต่งงานกับคนมีฐานะอุปสรรคและก็การขัดขวางต่างๆนานาจึงตามมาไม่หยุดหย่อนทั้งการกีดกันไม่ให้พบหน้าและหนักหนาไปจนถึงขั้นลงไม้ลงมือทุบตีเมื่อกิ๋วขัดใจและไม่โอนอ่อนตามความประสงค์ของผู้เป็นบิดาชาวบ้านในท่าจัดชยัยต่างทราบดีถึงอุปสรรคความรักหนุ่มสาวทั้งสองด้วยความเป็นห่วงหลายคนได้แนะนาให้โกดาเลิกกันกับครูกิว๋ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของทั้งคู่ขณะที่ผู้ใหญ่มีหน้าตาในละแวกหลายหนอาสาเข้าไปพูดคุยกับบิดาของครูกิว๋วหวังให้ยอมรับโกดําเป็นลูกเขยเพราะความเห็นใจในความรักอันมั่นคงของหนุ่มสาวแต่ไม่ว่าคนทั้งคู่จะพยายามพิสูจน์ความตั้งใจและความรักที่มีให้กันอย่างไรบิดาของฝ่ายหญิงก็ยังไม่ยอมรับและไม่มีท่าทีว่าจะเปิดใจแม้แต่น้อย สิ้นไร้หนทางและอัดอั้นตันใจจนถึงที่สุดเมื่อไม่สามารถสมหวังในความรักทั้งสองจึงลอบนัดพบกันโดยทั้งสองคนได้เตรียมผ้าเข้าม้าผูกมัดหัวใจแล้วก้าวย่างขึ้นบนราวสะพานตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ำเพื่อประสงค์ปิดชีวิตและปิดฉากความรักของทั้งสองคน การผูกมัดผ้าเข่าม้าเข้าด้วยกันอาจสื่อถึงการที่พวกเขาจะได้อยู่คู่กันแบบไม่ต้องพรัดพลาดกันอีกต่อไปแม้ความตายลงสู่พื้นน้ำในวันที่26กุมภาพันธ์2516ทิ้งเรื่องราวความรักอันซาบซึ้งให้ผู้คนเบื้องหลังได้เล่าขานสืบต่อกันมาเวลาต่อมาก็ได้พบร่างไร้วิญญาณของทั้งสอง ซึ่งสร้างความเสียใจและสถานความรู้สึกของชาวบ้านท่าฉัดชัยเสมอมาสพันธ์รักสารสินยังคงตั้งทำงานอย่างเดียวดายเพื่อเป็นสักขีพยานให้กับสองหัวใจที่ระทมเหตุผลที่ตำนานสพันธ์รักสารสินยังคงตราตรึงจิตใจผู้คนมาอย่างยาวนานแม้จะถูกเล่าสู่กันฟังในหลากหลายรูปแบบทั้งนวนิยายละครโทรทัศน์และภา พ, พยนตร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก็คือคำว่ารักแท้ความรักของโกดําและกิว๋วปราศจากคำคอรหาจากคนรอบข้าง เ, เช่นความรักของหนุ่มสาวทั่วไปแม้ตอนจบจะมีเพียงสะพานสารสินเท่านั้นที่เป็นประจักษ์พยานให้กับความรักของพวกเขาแต่วีรกรรมในครั้งนี้ได้ถูกบันทึกไว้และเป็นบทเรียนที่ทุกคนควรศึกษาถึงความหมายของคาว่ารักแท้เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต แต่จริงๆแล้วสิ่งนี้คือความสูญเสียอันเป็นนิรันด์สะพานรักสารสินเป็นสะพานที่สร้างข้ามช่องปากพระเพื่อเชื่อมระหว่างเกาะภูเกต็ตตรงบริเวณท่าฉัดชัยกับท่านุ่นจังหวัดพังงามีความยาวทั้งหมด660เมตรกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างเปิดใช้เมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2510 สิ้นงบประมาณทั้งหมด 28,770,000 บาทสภานนี้ให้ชื่อตามนามสกุลของนายพ์สารสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติในขณะนั้นซึ่งปัจจุบันนี้สภานสารสินได้กำหนดให้ใช้เป็นสะพานขาออกของจังหวัดภูเก็ต